พคือมันเคยปฏิบัติแล้วก็แล้วก็ใจเปลี่ยนอยู่ๆปฏิบัติอนะฮะใจเปลี่ยนไปสงสารทั่วไปหมดเนตตาสงสารไปทั่วไปหมดเลยก็เห็นคนที่เคยขัดใจก็ไปทักทายเขาได้สงสารแล้วก็พอดีได้ไปพบหลวงพ่อป harma ก็ส่งอารมณ์ให้ท่านฟัง ท่านก็บอกว่าแล้วตอนเนี้ยมีตัวเราไหมบอกก็ยังมีท่านก็บอกว่าให้ไปดูซิมีตัวเราไหมก็เป็นปีอ่ะดูว่ามีตัวเราหรือเปล่าอะไรก็มีอยู่วัดหนึ่งเมื่อไม่นานเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่สติสัพพัญญาเขาก็เข้ามาเข้ามาโยมก็ดูไอ้ตัวอยากที่มันอยากดูทีวี ในขณะที่ดูอะอยากเนี่ยก็แวบหนึ่งก็ไปเห็นไปไปแวบหนึ่งก็ไปเห็นว่าเห็นม่านไอ้เป็นหมอกมัอนหมอกบางๆคลุมคลุมอยู่แล้วก็อ๋อก็อ๋อขึ้นมาว่าเออความมีตัวเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยก็ตอนนั้นน่ะนะฮะความมีตัวตนะ่ะมีตัวเรามันเป็นอย่างนี้มันเป็นหมอกบางๆคลุม ก็ปฏิบัติมาก็ดูว่ามีตัวเราไหมก็ไม่รู้ลืมถามหลวงพ่อท่านว่าให้ปฏิบัติไงต่อเนี่ยไปรู้ยังตอนนี้รู้ยังตอนนี้รู้หรือมันก็ยังมันไม่มันก็ยั ง, ยงถ้าเผื่อไปดูจริงๆมันก็ไม่มีดูอะไรตัวอไรไ์ทั้งรอบทั้งหมดนี่ก็ เห็นว่าไม่มีตัวเราแต่ก็คือมันไม่มีสภาวะที่ปัจจุบันทันตัวน่ะที่ว่าจะไม่เห็นมีตัวเราอะไรอย่างนี้ก็ก็เราเอาตัวเราไปดูตัวเราอะะไรค่ะไอตัวที่มีตัวเราก็ไอตัวที่เอาตัวเอาตัวเราเนี่ยไปดูตัวเราเลยแหละคือคือมันมีตัวเราไอตัวดูตัวเราเลยนี่ยมันมีไอตัวที่ดูตัวเราแหละนั่นแหะคือตัวเราก็คือตัวเราถูกต้อง ก็พยายามดูคืออ่าเนียยพยายามดูอีกแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าไอ้ตัวที่ดูตัวเราเนี่ยมันทําให้เกิดตัวเราแล้วดูยังไงคะที่จะไม่ให้มีตัวอ้าวนี่นีก็ก็จะไปดูมันเองก็ไม่ต้องดูพราะมันดูทีไรมีตัวเราทุกทีมีตัวเราไปดูมันทุกทีก็อย่าไปดูมันเองระวางวางผู้ดูได้มไหมล่ะ วางผู้ดูได้ไหมวางผู้รู้ได้ไหม่ะปล่อยวางไปเลยถ้าเผื่อเป็นดูทุกขละ่ะไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดูวางวางผู้ดูเดี๋ยนี้เลยเดย้เพราะถ้าเราไปดูมันจะขอดูหน่อยขอดูนู่นขอดูนี่เราก็ต้องเอาห่วงใหญ่ตัวเราเราปล่อยวางตัวเราไปเลยตัวเราไม่มีหรอกปล่อยวาง้ขันห้านี่ไปตัวเราก็ที่ไหนแล้วขันห้า ก็ไปวางขันห้าไปเลยเราเอาขันห้าไปปรุงแต่งดูอยู่นั่นแหละเราก็หลงไปเป็นตัวขันเอาขันห้าไปปรุงแต่งเราก็หลงเข้าไปในในสังขารปรุงแต่งอยู่นั่นแหละไม่ใช่สังขารปรุงแต่งถ้าเรายังหลงเอาตัวเราไปดูปรุงแต่งเอาตัวเราไปดูตัวเราไปหาตัวเราเนี่ยมันอเราจะไปหาตัวเราได้มันก็ต้องเอาขันหน้ามาปรุงแต่งเป็นตัวเราไปหาตัวเราตอนนี้มันก็เอาขันห้าไปเล่นขันหน้าไปดูขันหน้าไปหาขันห้าอยนั่นแหละมันก็ไม่ิ้ Ri นสังขารไม่ใ hmm. ช่ส <Yeah. S 1> <danger. S 2> no ังขารปรุงแต่ง ไม่ดูแต่คิดว่าเป็นผู้อื่นนะทิ้งไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหาความเข้าใจทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดเลยอย่าหาความเข้าใจอยู่ทิ้งให้หมดวางไม่ต้องไปไม่ต้องคิดว่าทิ้งให้หมดแล้วจะเป็นอะไรทิ้งให้หมดซะก่อนแม้แต่การหาความเข้าใจไปดูแลพยายามจะหาความเข้าใจทิ้งให้หมดเดี๋ยวนี้เลยแล้วมจะเข้าใจเอง นี่แหละนยมันไม่ทิ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราจะทํายังไงจะเขาจะทํำยังไงก็บอกว่าบอกว่าให้เลิกทําเลยจะทําอยู่แล้วเนี่ยอืมให้เลิกทำมันยังงงอยู่นะคะแล้วยังไงงงยังไงอ่ะมีสติสัพพัญญาใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นไม่ต้อ ง, งเล ย, เลยไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยไม่ต้องพูดถึงภาษาสมมติมัญหยติเลยไม่ต้องเรียกสติสัพพัญญาไม่ต้องเรียกว่าอะไรเลยวางบทเดี๋ยวนี้เลยเลิกสูงสุดกลับคืนสู่สามัญเหมือนคนปัตุชนลองดูสิ เดี๋ยวนี้เลยสูงสุดกับคืนสู่สามัญอันนี้ยังไม่ยอมจะจะหาเหตุผลอยั้งในไม่ใช่ไม่อยอมไม่ใช่มันมันหาเหตุผลอย่างนี้มันจะจะหาเหตุผลทั้งหนอือใช่มันก็ยังปรุงแต่งเลย ไ, ไอตัวผู้ไปหาเหตุผลได้มันก็เอาขันห้ามาเป็นสังขารปรุงแตง่งหาเหตุผลหายหผลเพื่ออะไรล่ะไม่ไม่ไม่ใช่เพื่ออะไรแต่ กำลังจะวางแล้วไม่รู้ว่าจะวางอย่างไงนี่เลยที่หลวงพ่อชาท่านถามว่าทําไมเวลาจะวางต้องหาเหตุผลในการวางถ้ายังพยายามจะหาเหตุผลในการวางเนี่ยเท่ากับไม่ยอมวางบอาให้วางพัดไปเลยเดี๋ยวขอให้ผลจะวางอย่างไงขอหาฝายผลวางอย่างไงมันก็เท่ากับไม่ยอมวางอยู่แล้วเนะี่ยวางเนี่ย จะวางแล้วแล้วทำไมต้องถามหาเหตุผลวางก็วางไปเลยถ้าถามหาเหตุผลเท่ากับไม่ยอมวางาจะค้นไปถึงไหนจะค้นมันไปถึงไหนไม่รู้จะจะค้นมันไปถึงไหนแล้วไม่รู้จะวางอย่างไหนท่านลาคาหัวเนี่ยที่ทําไม่ได้ตามตามที่ท่านต้องการไม่ต้องไม่ไม่ลาคาญเลยแต่เห็นใจไม่ลาคาญเลยแต่เห็นใจ ไม่เห็นใจเปลี่ยนไปให้คนอื่นพูดแล้วว่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ อ, อยากจะให้เข้าใจเพราะว่าไม่ไม่ลำคาญเลยเราเนี่ยเวลาเราทำเองอะ่ะเราจะมองไม่เห็นตัวเราเพราะเรายังปรุงแต่งไม่เลิกถ้าเราเนี่ยเห็นคนอื่นทำเราจะไม่ทำแบบนี้ออก็เนี่ย เรานั่งทําอย่างเงี้ยอยไรเงี้ยมันปรุงแต่งไว้เลยเนี่ยหน้าตาดูไม่ได้แล้ว ก, กระจกสองเนี่ย <c oughs> นั่งไม่ยอมพููจาใครอหน้านิว่วคิ้วขมวดปากเมมแล้วก็บอกไม่ปรุงแต่งถ้าไม่สิ้นปรุงแต่งแล้วมันจะจะเรียกว่าสิ้นปรุงแต่งได้ไง <c oughs> ก็เนี่ยหน้านิว่วคิ้วขมวดปากเมมหาเหตุผลอยู่แน่เนี่ยอันนี้มันปรุงแต่งออืมันต้องสิ้นปรุงแต่งมันถึงจะเป็น วิสังขารวิสังขารแปลว่าไม่ปรุงแต่งถ้าเรายังปรุงแต่งมันจะเป็นวิสังขารได้ไงวิสังขารมันแปลว่าไม่ปรุงแต่งมันจะอยู่ขนาดจิตเดียวกันไม่ได้ออเอา้าให้คน อ, อื่นก่อนก็ได้เอาให้คน อ, อื่นก่อนเอเอเ อ, อ, อ, อ, อนี่เนี่นี่แสดงว่ามีชีพในก้าหารชันชายเดีย น, นเนี่ยเป็นครูเก่าว่า โอ้เป็นครูด้วยกระาววันนี้ด้วยถือกาหาญชันชัยดีถือไมพูดชัตชัตชัตจะได้จะได้ไม่ไม่เก้อเขินจะได้จะได้เอเนี่ยเราเนี่ยไม่ไม่เห็นตัวเรามันเห็นตัวเราเองว่าเรากำลังปรุงแต่งตัวเองก็อื่นก็ปรุงแต่งเนี่ยคอยดูครับมื่อเวลาก็ปรุงแต่งมันน่าเกลียดนาเนี่ยคิดก็มวดปากเมมจะเอาให้เป็นจะเอาให้ได้อเราก็เนี่ยปรุงแต่งจะชัดเนี่ยเรา มันแล้วมันจะไปเป็นวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งได้ไงก็ยังปรุงแต่งแบบเนี้ยมันก็ยังเป็นปรุงแต่งเรื่อยไปเน่ยต่อให้ปรุงแต่งหายเหตุผลอะไหรก็ปรุงแต่งเรื่อยไปไม่มีทางเป็นวิสังขารที่ไม่ปรุงแต่งได้หรอกเพราะวิสังขารมันคือมันมันเป็นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับปรุงแต่งวิสังขารแต่ว่าไม่ปรุงแต่งธรรมชาติของเราคือความไม่ปรุงแต่งแต่เรากลายเป็นเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งซะแล้วมันก็เล็กเราก็เลยหลงตัวเราเองไปหาตัวเราไม่เจอเพราะ ตัวเราโดยแท้จริงคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นฝ่ายธรรมชาติที่เป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุเป็นความไม่ปรุงแต่งและไม่อาจมีอะไรปรุงแต่งมันได้มันเป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างของธรรมชาติของจักรวาลตัวตนมันไม่มีมันเป็นความไม่ปรากฏกิริยาการใดๆไม่มีรูปพันธสันพานใดๆไม่มีกิริยาการใดๆเลย มันเป็นอสรีลังพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอสรีละหรืออสรีลังไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธสันฐานใดๆเลยเป็นความว่างเปล่าเป็นความที่ปราศจากความปรุงแต่งและไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้มันจะเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุหรือเป็นสุญญตาธาตุแล้วลองคิดดูดีว่าเนื้อแท้ของเราแท้แท้คือความไม่ปรุงแต่ง คือสุญญตาธาตุคือวิสังขารหรืออสังขารธาตุคือความไม่ปรุงแต่งและไม่มีอะไรปรุงแต่งตัวเราได้แต่ถ้าเราเนี่ยยังไปเป็นปรุงแต่งอยู่เรายพยายามดิ้นหลนพยายามค้นหาพยายามวิเคราะห์พยายามปล่อยวางพยายามดูพยายามใจรู้พยายามจะให้เห็นพยายามจะให้เป็นมันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรายังเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วเราจะเป็นวิสังขารความไม่ปรุงแต่งได้ยังไง อ, อ่ะเหมือนกับเราใส่เสื้อสีดํามาเนี่ย วันนี้เราใส่เสื้อสีดํามาเราใส่เสื้อสีดํามาแล้วจะบอกว่าเป็นสีขาวมันเป็นไปไม่ได้อย่างม่ชีเขาใส่เสื้อสีขาวไอ้สีขาวก็สีขาวเพราะฉะนั้นสีขาวกับสีดํามันไม่เหมือนกันนั้นสีดําเนี่ยเปรียบเหมือนความปรุงแต่งสีขาวเนี่ยเปรียบเหมือนความไม่ปรุงแต่งถ้าเราจะใส่เสื้อสีดํำเราก็ย่อมเป็นสีดำเลยเนี่ยถเรายังนั่งปรุงแต่งอยู่จะให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันเป็นแล้วเราก็ปรุงแต่งอยู่ในเสื้อสีดำมาเนี่ยเราจะ ถอดเสื้อสีดำออกแล้วไปใส่เป็นสีขาวยังไม่ชีดได้อย่างไรไหนตอบสิเอาไม้ให้หน่อยอยากรู้เหมือนกันไม่ได้ค่ะฮะจะทำเนี่ยเอาเสื้อสีสส ด, สดะแล้วจะเครือบเป็นเป็นสีขาวได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้ <c oughs> ต้องทำไม <c oughs> ต้องทำไมเอาถึงจะเปลี่ยนเป็นชุดยังไม่ชมี่สีขาวยังไม่ชี้ทั้งตัวได้ต้องทำไม มันก็ต้องเป็นสีดําอยู่อย่างเนี้ก็นั่นน่ะสิแต่ตราบใดยังปุ่งแต่มมันก็จะปรุ่งแต่งสักพอกอย่างนั้นก็เป็นสีดําอยู่นี่แหละพยายามจะปุงแต่งสักฟอกปล่อยวางยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นสีดําอยู่นัเนี่ยมันต้องทําไมมันถึงจะเป็นสีขาวมันต้องทําไมก็มันสีดําอยู่แล้วมันจะเป็นสีขาวมันก็ไม่ได้เออนั่นสิแล้วทําไมมันจะเป็นสีขาววะจะให้เป็นสีขาวเหรอถ้ามีความคิดือไม่ได้ ให้คิดไปว่าเป็นนี่คือสีขาวไม่ใช่ใช่ความคิดฝันจะปเ็นมันก็เป็นสังหาร์ปร ง, งแต่งไปอะไรนี่มัก็พยายามปรุงแต่งเอาใส่เสื้อสีดํำไปซักฟอกเข้าสีมาย้อมให้เป็นสีขาวสิทํำยังไงเน่ยคือที่ท่านถามเนี่ย <c oughs> คือจะให้ใช่เกิดปัญญาที่ถามที่จะเกิดปัญญาคือถ้าหากในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเป็นสีขาวได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นดําอยู่แล้ว ในปัจจุบันนี้นะฮะมันไม่มีสิ่งอะไรที่มันจะไปทำให้เป็นสีขาวได้มันก็ต้องเป็นสีดาอยู่สีดามันปรุงแต่งนะแล้วสีขาวมันคือความไม่ปรุงแต่งก็ต้องทิ้งสีดาไปเออใช่ใช่นึกถึงสีขาวไม่ต้องนึกอีกใช่เพราะมันดึกับปรุงแต่งเข้าไปเองสีดาไปพอก ให้ไม่คิดเองมันก็มันก็ยังคิดอยู่ในธรรมชาติในความคิดมีความไม่คิดในความปรุงแต่งมีความไม่ปรุงแต่งมันอยู่ด้วยกันในที่เดียวกันนะั่นแหละเพราะตัวคิดมันก็ปรุงแต่งใช่อแต่ตัวคิดมันปรุงแต่งอยู่ในความไม่ปรุงแต่งคิดอยู่ในไม่ปรุงแต่งถูกต้อง มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่แต่พูดเมื่อกีเกือบถูกแล้วพเมื่อกี้เกือบถูกแล้มันจะเป็นไงก็ช่างมันเพราะมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปงแต่งแต่เราเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งแต่มันต้องอยู่ด้วยกันเพราะขันห้ามันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งยังต้องมีชีวิตอยู่ยังดับไม่ได้ตอนนี้แต่เราเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งขันห้ามมันต้องอยู่ด้วยกันกับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่ง รอจนกว่าสิ้นอายุขขันห้าที่ฝ่ายปรุงแต่งมันถึงจะดับไปตอนนี้เราจะไปพยายามดับความคิดได้เมื่อไหร่เพราะมันยังมีขันห้ามันยังมีชีวิตอยู่เราจะไปดับได้ยังไงแต่ธรรมชาติที่มันคิดเนี่ยมันดับได้มันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมันไม่ใช่เป็นเราเพราะมันเป็นขันห้ามันเป็นตัวสมมุติมันเป็นเหล่าเชื่อคำนั้นมันเป็นตัวสมมุติ ให้คนอื่นไปก่อนแล้วกันได้ไหมเพราะว่าโอ้ยทําไมยอมง่ายๆอ่ะออืเกือบจะเก็ตกแล้วนเนี่ยก็มันอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอยู่อย่างนี้อหะตรงนี้ถูกต้องมากเลยนะนเนี่ยคำพูดเนี้ยเขาไม่ต้องไปนะไปไปไ ป, ไปคิดถึงจะอะไรเมืม่อเมื่อเมื่อเมื่อมันอยู่อย่างนี้ ก็ต้องให้มันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆตามสภาพของมัน<ช>ที่มันเปลี่ยนไปมันเป็นสภาพของธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งแค่นั้นแนี่ปล่อยธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งของมันไม่มีใครก็ไปแทรกแจงไม่มีใครเขา้ไเขาไปยึดถือมันก็ปล่อยมันไปมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เขาจะทําไปอยู่เรื่อยๆอออไม่ยอมรับ ถูกต้องก็ไม่เห็นอะไรเลย laser. อยากปร yup. ุง so. แต่งก็ปรุงแต่งไปเพราะเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งของมันเองมันก็เป็นธรรมชาติที่ยังต้องมีโลกยังต้องมีสวรรค์ยังต้องมีนรกเป็นเรื่องของธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเขาต้องไปแต่ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งมันก็มีอยู่มันอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ไม่ไปไหนไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ย <i> ุ <i> ่งเกี่ยวกับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่ง ธรรมชาติฝ่ายมือปรุงแต่งเปลี่ยบเหมือนจักรวาลความบ้างเปล่าของจักรวาลแต่ในจักรวาลเต็มไปด้วยธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแม้แต่โลกทั้งสามนี่ก็หมุนอยู่สถิตยอยู่ในจักรวาลเนี่ยในจักรวาลโลกทั้งสามเนี่ยมันเป็นโลกของธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งโลกนรกโลกสวรรค์โลกมนุษย์ล้วนแต่เป็นธรรมชาติของฝ่ายปรุงแต่งที่ปรุงแต่งไปปรุงแต่งเป็นบาปก็ไปนรกปรุงแต่งเป็นกรรมชั่วก็ไปนรก ปรุงแต่งเป็นกรคมดีก็ไปสวรรค์ไม่ติดชั่วไม่ติดดีเป็นกลางๆอยู่แต่ยังไม่ยังไม่พ้นทุกข์ก็เป็นมนุษย์พ้นไปเลยไม่ติดอะไรเลยก็ไม่ติดอยู่ในโลกทั้งสามก็เป็นจักรวาล น, นั้นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไม่มีใครไปดับมันได้และเราไม่ได้เป็นธรรมชาติฝ่ายปุงแต่งนั้นไม่ได้จะคิดปรุงแต่งกับปรุงแต่งไปแต่ถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเราต้องหมุนก็ไปในโลกทั้งส แต่ธรรมชาติไปาปรุงแต่งเรายังไม่ตายดับมันไม่ได้โลกทั้งสามเนี่ยมันต้องมีอยู่เป็นเรื่องของคนที่ปรุงแต่งเขาจะต้องไปแต่เราไม่ไปเพราะเราการเป็นธรรมชาติฝ่ไม่ปรุงแต่งคือจักรวาลเดิมกลับคืนสู่จักรวาลเดิมตั้งแต่ปอนยังขนาดมีชีวิตอยู่ใจนั่นแน่เป็นจักรวาลเดิมเป็นที่รองรับของธรรมชาติฝปรุงแต่งมันจะจะปรุงแต่งกับปรุงแต่งอะไรไปกับปรุงแต่งไปเฮ้อปรุงแต่งอยู่ในใจที่ว่างเปล่าเพราะใจนั่นแน่คือจักรวาลเดิมคือความว่างเปล่า แต่ความปรุงแต่งมันจะปรุงแต่ง ไ, ม ไ, มไ ง, งมันก็ไม่พ้นจากความปรุงแต่งในใจได้หรอกมันก็ปรุงแต่งอยู่ในใจนั่นแหนละแต่มันไม่ได้ไปทําอะไรใจได้เพราะธรรมชาติของใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งส่วนธรรมชาติของขันห้าเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมันก็อยู่ในการพ้นมันยังไม่ตายหลอดจนกว่าถึงข่าวสิ้นอายุไขธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็ดับไปเหลือแต่ใจที่ไม่ปรุงแต่งกับคืนสู่จักรวาลเดิม ซึ่งเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานมันอยู่ดนกันอย่างนั้นแหละไม่มีใครไปทำลายกันไม่ใช่เราไปดับความคิดไม่ใช่พยายามไปทำลายขันฮะแต่มันอยู่ดนกันอย่างนั้นหละ <Das que ath let> ความปรุงแต่งมันก็อยู่ในที่เดียวกับความไม่ปรุงแต่งนั่นแหละมันอยู่ในใจนั่นแหละมันจะเป็นปรุงแต่งข้างนอกใบแง่ันก็ปรุงแต่งอ่ในใจนั่นแหละแต่เราเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เพราะมเป็นสังเป็นอาสังคต ถ, ถ, ถาธาตุหรือเป็นปีสังขารเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เรานี่ไม่ได้ไหมายถึงว่าตัวเราที่เป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนไม่มีหรอก มันเป็นธรรมชาติรราตปรุ ง, รงแต่งกับไม่ปรุงแต่งที่มันอยู่ร่วมกันถูกต้องก็เหมือ น, นกับจักรวาลเนี่ยมันเป็นความว่างไงมันก็ต้องอยู่ร่วมกับสังขารปรุงแต่งทั้งหมดที่อยู่ในจักรวาล น, นี้โลกทั้งใบนี้เราทุกคนก็อยู่บนโลกนี้ร่างกายก็อยู่บนผิวโลกนี้ความรู้สึกนึกิดอารมณ์ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีอยู่ในร่างกายที่อยู่บนผิวโลกนี้ เพรร่างกายมันอยู่บนผิวโลกโลกใบนี้ทั้งใบก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปงแต่งเพราะมันลอยอยู่ในจักรวาลที่ว่างเปล่าที่ไม่ปงแต่งส่วนร่างกายจิตใจเราก็อยู่บนผิวโลกร่างกายก็เป็นส่วนธรรมชาติฝ่ายปงแต่งส่วนจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปงแต่งมันก็อยู่ก็ปงแต่งที่ไหนก็ปงแต่งอยู่ในจักรวาลที่ว่างเปล่านี่นะใจเนั่นแน่เป็นความว่างอันเดียวจาจักรวาลที่ว่างเปล่าแต่ใจมันมีมันมีความรู้เป็นธาตุรู้มารู้ว่ามีอะไรปงแต่งอยู่ในใจ แต่ตัวมันเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มันปรุงแต่งเท่านั้นแนะมันเป็นความว่างเช่นเดียวกับความว่างจักรวาลแต่ความว่างจักรวาลมันไม่มีความรู้ส่วนใจนั้นน่ยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลแต่มันมีความรู้ว่ามีความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็รู้ตัวมันเองได้ว่ามันเนี่ยคือความว่างเปล่าของจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเป็นธรรมชาติไปแล้วแล้วก็มันก็รู้ได้ว่ามีธรรมชาติปรุงแต่งอะไรอยู่ในตัวมันอยู่ในใจ แต่ใจเนี่ยมันก็เลยรู้สองสภาพคือรู้ว่ามันเนี่ยเป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับจักรวาลไปแล้วแล้วมันก็รู้ว่ามีอะไรปรุงแต่งอยู่ในมันแล้วเกิดเกิดดับดับอยู่ในมันไม่เที่ยงใจมันเลยเป็นความว่างตลอดการเป็นอมตะลอจนกว่าถึงข่าวสิ้นอายุไขธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็ดับไปเหลือแต่ใจที่เป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งคือความว่างเปลา่าที่มีความรู้ไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างจักรวาล แต่ความว่างจักรวาลไม่มีความรู้แต่ไปคืนเป็นเรื่องเดียวกับความว่างของจักรวาลที่มีความรู้ที่อุตตะเจ้าตัดว่าอนนท์เราไม่ได้ตายเพราะเราไม่เคยเกิดตถาคตไม่ได้ตายเพราะตถาคตไม่เคยเกิดผู้ใดเกิดผู้นั้นต้องตายผู้ใดปรุงแต่งผู้นั้นต้องดับแต่ตถาคตไม่เคยเกิดไม่เคยตาย ตถาคตหมายถึงพุทธะผู้ใจที่ไม่ปรุงแต่งไม่เคยเกิดไม่เคยตายเพราะไม่เคยเกิดไม่เคยจึงไม่ยึงไม่ดับเมื่อไม่เกิดก็ไม่ดับตถาคตหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเท่านั้นเองเป็นหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอยู่ในทุกที่ที่ได้มีความว่างไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างในธรรมชาตินั้นจึงอยู่ในทุกที่ไปเป็นหนึ่งเดียวกับแสงแดดไปเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไม้ภูเขาไปเป็นหนึ่งเดียวกับลม ไปเป็นหนึ่งเดียวกับดินไปเป็นหนึ <c oughs> un, s width, <S ่งเดียวกับน้ำไปเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศไปเป็นหนึ่งเดียวกับในร่างกายจิตใจของทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีความว่างตถาคตไม่ได้ตายแล้วก็ไม่ได้เพราะไม่ได้เกิดจึงไม่ได้ตายเพราะว่าไม่มีลูกเพราะนั้นใจที่แท้จริงเนี่ยก็คือ เป็นตัวรูเป็นความว่างเปล่าที่มีอยู่ในจั ก, กรวาลที่ว่างทีนี้ที่อย่างก็จะแผ่ไปทั่วหมดใช่ไหมนนเนี่ยแน่ที่สุดแล้วมันจึงเหลือแต่ความเมตตาเพราะมันมีแต่แผ่ความว่างไปเป็นอนันต์ทุกทิศทุกทางไม่มีที่สุดมันมีประมาณมันจึงมีแต่ความเมตตาเมื่อสิ้นความปรุงแต่งเป็นความรักความเกียรติช่างแล้ว มันเลยกลายเป็นเมตตาไม่มีที่สุดไม่เยามานเพราะมันเป็นความว่างที่แผ่ไปไม่มีขอบเขตภัศาลที่หลวงปู่ดุลย์ใช้คําว่ามหาสุญญตาว่างเวงว้างเป็นหนึ่งเดียวกับจกักรวาลที่ไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรใจเห้นที่ก็ใจแต่ทีนี้ คือเขใจที่ท่านพูดเนี่ยนะะว่าใจเนี่ยเป็นความว่างเปล่าที่อะไรแต่เราโยมจะปฏิบัติตนโยมก็เราเนี่ยอย่าไปเป็นธรมมนธรมชาติฝ่ายปรุงแต่งซะสิมันก็จะเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเองง่ายนิดเดียวเราอย่าไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งอย่าไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งอย่าไปเป็นตัวนี้ อย่าไปหลงปรุงแต่งอย่าหลงเอาตัวเราไปเป็นไปปรุงแต่งอย่าเอาหลงเอาตัวเราไปคิดนึกตึกตอนดิ้นรนค้นหาพยายามจะให้เป็นอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเสี้ยววินาทีเดียวที่เราเนี่ยยังเอาตัวเราเข้าไปคิดคิดคิดคิดตึกตอนดิ้นรนค้นหาวิเคราะห์วิจารณวิจัยที่หลวงปู่ดูลนัตุโลว่าแค่เสี้ยววินาทีเดียวที่ที่เอาตัวเราไปคิดเนี่ยก็ทําลายธรรมชาติของตัวเราไปแล้วเพราะเรากลายไปเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไปแล้ว ถ้าเราเห็นธรรมชาติฝ่ายที่ปรุงแต่งก็ปล่อยเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไปแต่เราไม่เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งนั้นได้แต่เป็นผู้เห็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งได้แต่รู้เห็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแต่ไม่เอาตัวเราไปเป็นสังขารปรุงแต่งไปคิดปรุงแต่งเสี้ยววินีทีเดียวที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ทำลายสภาพเดิมของตัวเราไปคือจักรวาลเดิมแล้วกว่าไม่ปรุงแต่ง แต่ไม่ใช่ว่าเราพยายามดับตัวเราให้ไม่คิดโอ้ถ้าเราพยายามไปดับตัวเราให้ไม่คิดตัวเราก็จะกลายไปเป็นตัวพยายามที่เป็นสังขารปรุงแตง่งเราเพียงแต่เห็นว่ามันมีความคิดนึกตึกตองดินลนอะไรก็ตามภายในจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเพราะมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งส่วนเรามันคือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งได้แต่รู้เห็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเท่านั้นแต่เราปรุง <c oughs> แต่งไม่ได้ อให้รู้ให้รู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นของมันที่มันเกิดขึ้นมาเองมันเป็นธรรมชาติที่มันมันมันปรุงขึ้นมาตั้งแต่เกิดมาซะจนกระทั่งตายให้เห็นธรรมชาติที่ของมันอะแปลเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอะไรเวลาให้คิดว่ามันก็ต้องเป็นอย่างเนี้ย แต่เห็นผู้คิดเนี่ยผู้ที่ตัวเราผู้กําลังคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวสมมติพร้อมเป็นธรรมชาติส่ายปรุงแต่งเป็นร่างกายเป็นจิตใจเป็นตัวสมมุติของเราชั่วคราวเดี๋ยวก็แตกดับทําลายไปแต่เราแท้จริงอ่ะคือผ<อ>ู้ที่เห็นตัวเราผู้กําลังคิดต้องไปเห็นที่ตัวคิดที่เราตัวเราผู้กําลังคิดเนี่ยเป็นธรรมชาิฝ่ายปรุงแต่งแต่โยมเนี่ยกําลังเอาตัวเราเนี่ยไปเป็นผู้คิดไปเป็นธรรมชาติฝ่ปรุงแต่ง มันตกงกันขา้ามทำยังไงดีเก็ต้องเห็นตัวเราขณะจิตที่ตัวเราเนี่ยเอาตัวเราไปคิดว่าเ น, นี้ยไอ้ตัวเราผู้กําลังคิดเนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแตง่งแต่เราเป็นผู้เห็นตัวเราที่กําลังคิดไอ้ตัวเราที่มาเห็นตัวเราผู้กาลังคิดเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งอ๋อพอจะเข้าใจ เราจึงไม่มีหน้าที่อะไรไปพยายามไปดับตัวเราผู้กําลังคิดเพราะตัวเรามันมีสองตัวคือตัวสมมุติกับตัววิมุตต์ไอตัวสมมุติมันต้องยังคงอยู่เพราะมันเป็นขันห้ามยังไม่ตายรอจีก่อนจะตายซะก่อนมันได้แตกดับไอตัวสมมุติอะเราไม่มีหน้าที่ไปฆ่ามันเราจึงไม่มีหน้าที่ไปทําลายมันแต่ให้เราเนี่ยเป็นผู้เห็นมันเพราะเมื่อเราอะเป็นผู้เห็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งตัวเราก็จะเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งแค่เข้าใจ มันอย่างเงี้ยนีโยมกําลังเอาตัวเองไปตงแต่งขนาดนี้โยมกำลังเอาตัวเอง ไ, ไปคิดนึกตึกตอนที่ลดุดคน้นหาเหตุผลเอาตัวเองไปปรุงแต่งโยมก็ตกไปเป็นธรรมชาติฝ่ายที่เป็นปรุงแต่งที่เป็นสังขารมันอย่างเงี้ยโยมเหมือนดูสิถ้าโยมเห็นคนอื่นก็กําลังปรุงแต่งเนี่ยเปรียบเหมือนคนอื่นนี่กาลังนั่งปรุงแต่งอยู่เขากําลังปรุงแต่งทํากิริยาอย่างโยมนิดนลนค้นหาวิเคราะห์วิจารวิจัยพยายามจะปล่อยวางพยายามจะหาหนทางปล่อยวาง คนที่ดิ้ดล้นคนที่ดิ้ดล้นค้นหานะัเนี่ะมันเปรียบเหมือนเป็นตัวสมมุติของโยมเป็นตัวสมมุติแต่โยมเนี่ยกลับไปเป็นผู้เห็นตัวสมมุติที่กําลังปรุงแต่งโยมก็เลยไปกลายไปไปเห็นตัวผู้กําลังปรุงแต่งตัวเราเลยไม่ ไ, ได้เป็นผู้ปรุงแต่งเพราะไปเห็นไปเห็นตัวผู้ปรุงกำลังปรุงแต่ง <H ums> แต่ถ้าโยามเนี่ยกลับมานั่งปรุงแต่งตัวเองดิ้ดล้นค้นหาวิเคราะห์วิจารณวิจัยหาพยายามค้นหาเหตุผลพยายามจะปล่อยวางตัวเอง โยมกลายเป็นตัวปรุงแต่งแล้วโยมเลยไม่เห็นตัวเองได้หรอกเพราะโยมเอาตัวเองไปปรุงแต่งแล้วมันจะเห็นตัวเองได้ยังไงอ่ะมันต้องเห็นเหมือนกับคนอื่นก็ปรุงแต่งแล้วเราไปเป็นผู้เห็นเขาเขาเลยเป็นผู้ปรุงแต่งแต่เราเป็นผู้เห็นเขาแต่เราเป็นผู้ปรุงแต่งซะเองแล้วเราจะไปเห็นได้ยังไงพอไอ้ความปรุงแต่งมันมาตกอยู่กับตัวเราซะเองซะแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้เห็นซะแล้วเราเอามาเป็นผู้ปรุงแต่งเราเลยพ้นจากสภาพการเป็นผู้เห็นเรามาเป็นผู้คิดซะแทนพ้นจากสภาพเป็นผู้รู้มาเป็นผู้คิด มันก็เลยเป็นผู้ปรุงแต่งประเด็นคิดติดหล่นค้นหาหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดหาวิธีปล่อยวางหาวิธีช่วยตัวเราเองหาวิธีที่จะหยุดหาวิธีจะทําไงให้เราเนื้อสิ้นปรุงแต่งถ้าอย่างเงี้ยเราก็ปรุงแต่งไม่เลิกเราการเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเพราะเราไปเป็นปรุงแต่งเสร็จแล้วเราหมดโอกาสที่จะเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเพราะมันอยู่ในขณะจิตเดียวกันไม่ได้เหมือนกับที่บอกว่าเสื้อดํากับเสื้อขาวเนี่ยมันจะอยู่ในขนาดจิตเดียวกันไม่ได้ โยมต้องเปลี่ยนสถานะยืนอีกทีต้องเปลี่ยนสถานะไปใส่เสื้อขาวเออมันตึงจะเป็นเสื้อขาวนี่โยมไม่เปลี่ยนสถานะโยมกำลังจะดันเอาเสื้อดาเนี่ยให้มันเป็นเสื้อขาวให้ได้มันติดมานานมันก็พยายามที่จะเออแล้วมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะคือมันมันเดกันเกันมันไม่วางเฉยที่จะ ดูไอตัวเนี้ยสภาวะที่มนันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ, อยๆถ้าโยมยังหาวิธีที่จะวางเฉยแบบนั้นเน่ะเขาก็ย<อ>ัยงปรุงแต่งไม่ได้ก็ ย, ยังปรุงแต่งไม่ลย้ลาขาดมัน่ช้าเนี่ยเ <c oughs> ก่งใจทำไมหัวมันช้ามากแล้วทําไมไม่หยุดปรุงแต่งซะละถ้าเคยหยุดได้หยุดแล<ะ>้วตอนนี้มันยังไม่ก <c oughs> <ๆ c oughs>็อยากหยุด อยากหยุดจะอยากหยุดซิก็หยุดไปเลยทําไมต้องอยากอยุดก็ยังนั่งฟุงแต่งไม่เลิกยังยัพยายามจะฟุ้งแต่งให้ผลแล้วทําไมยังหายผล่อยู่ทําไมอก็หยุดหายเหตุผลแล้วิหยุดแกงใจคนอื่นแล้วทําไมยังยังยังยังยังยังไม่หยุดหายเหตุผล จะ ต, ต้องที่รู้ว่าการเข้าไปหาเหตุผลเป็นธรรมชาติมันหลงก็เป็นธรรมชาติฝ่ายปรงแตง่งทําไมยังไม่อยู่ท้าเหตุผลเอาตอบตรงนี้ดิเพราะอะไรจึงยังไม่ไม่หยุดดิ้นหลนค้นหาถ้ายังเป็นดิ้นหนค้นหายังหาเหตุหาผลยังเป็นธรรมชาติฝ่ายปรงแต่งเลื่อยไปทําไมจึงไม่หยุดดิ้นหล่นค้นหาท<ำ>้<ห>ายเหตุผลมันยังทําไม่ได้ฮะตรง น, นี้ย ว่าที่จะหยุดยังไงมันยังทำไม่ได้ก็ไม่ทําอะไรไม่ต้องก็ดูไอตัวนี้มันไป็นเฉยๆมืนสภาวะก็ไม่ต้องดูด้วยก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเฉยๆไปเรื่อยมันจะพอจะทํามันก็เท่ากับปรุงแต่งจะบอกพยาอยามไปทําหยุดมันก็เท่ากับปรุงแต่งก็ไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆให้สภาวะนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปทําอะไร อขาพูดอีกก็ถูกอีกพูดอีกก็ถูกอีกนายบอกว่าไม่รู้คือที่บอกไม่รู้นั่นคือมันอ่าใช่อย่างที่ท่านว่ามันหาวิธีที่จะให้ให้มันคือเป็นเคยที่จะมาดูใจดูทําไอ้นูทําไอ้นี่เป็นเคยแล้วมันก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเผืว่าเรา อยู่เฉยๆดูไอ้สภาวะที่มันเป็นไปของมันเองอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ว่าไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเออมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของมันอะไรอย่าเงี้ยมันรู้สึกมันเหมือนไม่ได้ทําอะไรอ่ะเราก็ทํามันเป็นปรุงแต่งหมดอแล้วมันก็จะอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลาก็ทําอะไรเป็นปรุงแต่งหมดไงแล้วจะนั่งอยู่อาจารย์พี่ ม, มันอาจจะแก่ละช้ะาก็ไปทําอะไรปรุงแต่งหมดหอ่ะอืแล้วบอกว่าไม่ทําอะไรก็สิ้งเฉยๆมันไปเลยเอในสภาวะที่มันจะเป็นในเด็กกระชังมันให้มันเป็นของมันไปตา น, นะนั้นไม่ต้องไปคิดไปว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไงไม่ต้องอะไรต่อะไรทั้งสิ้นเฉยๆไปเลยอืม ก, ก็พูดยิ่งกระถุ่งก็ถูกต้องทั้งหมดเลยทีโโ่พูดกัน ไม่ผิดเลยแล้วมันหายเหนื่อยไหมท่านว่าอะไรคะแล้วมันหายเหนืหน่อยไหมมันเบาๆอยูเฉยๆก็ดีไม่ต้องไปคิดถึงอะไรเลยเขาต้องไปคิดถึงอะไรมันก็เป็นปุงแต่งอสิท่านท่านรู้สึกท่านจะจะล่อมเข้ามาให้เยมได้เข้าใจที่ มันจะจะคิดมันจะนึกจะจะดิ้นรนจะค้นหาปล่อยมันเลยมันจะจะคิดยังไงก็ได้เพราะอะไรมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งปล่อยมันเป็นไปพวกมันอย่างที่มันเป็นมันจะจะคิดอาจจะนึกจะจะดิ้นรนค้นหาก็ปล่อยมันเลยช่างมันมันจะคิดยังไงก็มันจะคิดมันจะดิ้นรนจะค้นหาปล่อยมันเลย เพราะมันเป็นธรรมชาติฝอยปรุงแต่งช่างมันเลยเนี่ยมันจะจะคิดจะจะดิ้นรนอยากคนหาช่างมาเลยเห็นมันอยู่นี่ไงช่างมานันเพราะมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งช่างมานันมันเกิดขึ้นเองได้มันกระดับมันตัวเองได้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งน่ะมันเกิดเองได้มันกะดับมันตัวเองได้ชา่างมันคิดอย่างนี้เหมือนใจมันอยู่มันเหนือกว่าเหนือกว่าไอตัวความคิดที่ปรุงแต่งอะไรต่อะไร อล้นี้เนี่ที่ท่านพบอกว่าพบใจพบธรรมลองคนพูดเองอถ้ามันมันเลิกพรงแต่งแบบนี้ใจมันเลยเหนือกว่ามันลอยตัวเป็นอิสระมันเหมือนกับเป็นความว่างจักรวาลความคิดไม่ติดอยู่ในใจได้มันเหมือนอยู่ห่างกันไกลโพ้นนี่ไงพบใจพบธรรมก็พูดเองอ่ะมันเหมือนใจเป็นความว่างเปล่าอยู่คนละที่กับความคิดปรงแต่ง เหมือนความคิดปรุงแต่งมันลอยอยู่ไกลโพ้นเป็นอิสระจากกันความคิดปรุงแต่งเ่ะก็เหมือนกับที่พระอรหันตสาวอกองุท้ายไปกับทูลถามบุทธเจ้าว่ารอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศจะมีรอยไหมจะยอมบอกความคิดปรุงแต่งมันเหมือนลอยอยู่ไกลๆสนใจ มันเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเหมือนกับมันอยู่ห่างไกลกันมันไม่ติดกันจะบอกว่าใกล้แต่มันก็ใกล้กันแต่มันก็ไม่ติดกันมันเหมือนกับเป็นคนละส่วนกันมันก็เหมือนกับว่าความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นความคิดอยู่ในใจที่ว่างเปล่านั่นแหละเหมือนกับรอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศย่อมมีรอยหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ารอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศ ย่อมไม่มีรอยฉันใดความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่สามารถประทับรอยไว้ในใจที่ว่างเปล่าได้เพราะมมีที่ไม่มีที่เหยียบมันว่างเสมอ จะคิดจะนึกจะดิ้นรนค้นหาก็าปล่อยมันไปมันเห็นมันช่างมันมันเป็นเพียงรอยเท้าที่อยยบไปในอากาศในใจที่ไม่ปรุงแต่งเท่านั้นเราไม่ได้ไปทำลายธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไม่ได้ไปทำลายรอยเท้าไม่ต้องไปลบรอยเท้าแต่มันหายไปเองมันเกิดขึ้นเองแล้วก็หายไปเองดับไปเอง ในความบ้างเปล่านะั้น ม, ม, ม, มีความรู้สึกไอตัวนี้มั น, มนถ้าจะร้องไห้มันก็มีความรื้อึมันก็เป็นของมั น, นก็มันเป็นไปอันนี้คือ มันมีความอยู่เหนือกว่าไอท้ที่ที่ที่คิดมันไปรู้ว่าคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกําลังใจอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้ น, น, นมันมีตัวที่ไปรู้ไอ้ตัวนี้อีกตัว <c oughs> ไอ้ตัวที่ไปรู้ตัวเนี้ยมันเบือเบ่อมันอยู่ห่างดีเหนือกว่าไอ้ตัว ตัวที่ไปคิดดี่อีกตังมันมันมันก็ม่ก็บอกไม่ถูกอ่ะเป็นตัวที่มันรู้ว่าในความปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในความไม่ปรุงแต่งนะั่นแหละมันเป็นตัวสติสมาธิปัญญาในขันห้าที่ยืมมาใช้ยืมขันห้ามาเป็นตัวสังเกตเลยใช้เลยมันสังเกตเห็น ว่าใจเป็นความว่างเปล่าที่ไม่ปรุงแต่งหรือเรานเนี่ย เ, เป็นใจที่ว่างเปลา่าใจเตาเนี่ย เ, เป็นความว่างเปล่าที่ไม่ปรงแต่งแต่ขันห้าเขาก็คงปรงแต่งของเขาไปแต่มันอยู่คนละส่วนกับใจที่ว่างเปลา่าไอ้ตัวที่ตังเกตเห็นเนี่ยมันเป็นตัวสติปัญญาของขันห้าที่ยืมมาใช้ก็เห็นมันไปอย่างเงี้ยรู้ไปอย่างเงี้ยจกระทั่งมันกลายเป็นใจ ว่างเปล่ า, า, ลาที่รู้ตัวมันเองคือรู้ว่าตัวมันว่างเปล่าและก็รู้ว่ามีสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในตัวมันเองไอตัวสติปัญญาที่เป็นตัวกเกิดมันจะค่อยๆเลือนหายไปเหลือแต่ใจที่รู้เท่านั้นเองคือรู้ว่าตัวมันเองเป็นความว่างเป็นอันเดียวกับจักรวาลแล้วเป็นความว่างเว้นว่างไพศาลไม่มีก่อเกิดไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่าง เป็นมหาสุญญตาแต่ขาน่าความจิดปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งดีปรุงแต่งชั่วไปกุศลอกุศลอะไรก็ตามมันก็เหมือนรอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศย่อมไม่ปรากฏรองรอยไม่มีหน้าที่เราที่จะไปลบรอยเท้าในอากาศไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่เราจะต้องไปทำอะไรกับจิดปรุงแต่งนั้น เพราะเขาเกิดขึ้นเองเขาก็ดับมันเขาเองเขาเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรในความว่างเปล่าเขาก็ดับหายไปในความว่างเปล่าความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นนั่น อ, อีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นวิญญาณขันเมื่อตัวเราไปเป็นผู้รู้สึกผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจ ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัววิญญาณอคันมันต้องรู้มันรู้เสร็จแล้วมันก็ส่งต่อเวทนาส่งต่อสัญญาส่งต่อสังขารมันเลยรู้ต้องเห็นต้งเข้าใจทั้งคิดติดต่อไอ้ตัวเราที่ไปรู้อะไรทั้งรู้ต้งเห็นต้งเข้าใจและคิดติดต่อเนี้ยมันเป็นวิญญาณอคันมันก็จะอย่างเงี้ยตลอดไปไอ้วิญญาณอคันเนี่ยมันก็เลยทําหน้าที่ทั้งรู้ทั้งคิดติตั้งเข้าใจทั้งหาเหตุหาผลทั้งรู้ทั้งเข้าใจทั้งวิเคราะห์อยู่ในใจที่ว่างเปล่าเพราะสุดท้ายมันก็เลยปล่อยวางไะถึงวิญญาณอคัน คือตัวเรานี่เนี่ยที่รู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้และตัวเราเป็นผู้เข้าใจและตัวเราเป็นผู้คิดติกตองตัวเราทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจและคิดติกตองที่สุดแท้จริงอ่ะมันเป็นวิญญาณขันที่มันไปรู้อะไรเสร็จแล้วมันก็ส่งต่อเวทนาส่งต่อสัญญาส่งต่อสังขารมันเลยทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งคิดได้ปรุงแต่งได้เมื่อเราเห็นในตัวเนี้ยวิญญาณขันเนี่ยมันทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งวิเคราะห์จุกจิกจุกจิกกูตัวเนี้ย มันเป็นขันห้าที่เราดับไม่ได้เราเห็นมันจะถึงตัวสุดท้ายขันห้าคือถึงวิญญาณอคันมันก็เลยเป็นขันห้าเต็มรูปคือเห็นตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณคือเห็นหมดทั้งห้าขันมันเกิดเกิดดับดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าไอ้ตัวเกิดเกิดดั บ, ด, บดับก็คือไอ้ตัวที่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเรานี่เนี่ยที่ไปรู้ไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรไปเห็นรูปไปได้กินไปรู้รสไปรู้สัมผัสไปรู้ทำอารมณ์แล้วมันก็ ตั้งรู้ตั้งเห็นตั้งต่อใจทั้งจําได้ว่าอะไรเป็นอะไรไอ้ตัวเนี้มันเป็นวิญญาณขันธ์ที่รู้เสร็จแล้วก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ส่งต่อวิญาณตัวใหม่เรื่อยๆไปที่ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งต่อใจทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งวิเคราะห์ได้ตัวนี้มันเป็นตัววิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกวิญญาณขันธ์เนี่ยมันคือจิตส่วนเวทนาสัญญาสังขารที่ทํางานร่วมกับวิญญาณขันธ์หรือทํางานร่วมกับจิตเขาเรียกว่าเจตสิก เจตสิกกับจิตมันหรือวิญญาณขันเนี่ยมันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันทํางานร่วมกันปอบีธรรมเขาจึงกล่าวว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานรูปคือร่างกายจิตก็คือวิญญาณขันเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารดงนั้นเมื่อจิตไปรับจิตหรือวิญญาณขันมันไปรับรู้อะไรต่างตาหูจมูกจิตใจก็จะต้องทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารคือทาง รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทานาถ้าไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทานาถ้าเป็นกลางกลก็เป็นอทุกขกรรมสุขเวทานาไม่ว่าจะไปรู้อะไรวิญญาณขันจะรู้อะไรมันจะต้องสิ่งนั้นเนี่ยถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือเป็นกลางกลเสมอไปเพราะว่าจะต้องเกิดเวทนาเกิดกัญญาเกิดสังขารรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สามารถวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอะไรได้ มีความรู้ความเห็นความเข้าใจมันทํางานร่วมกันมันจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ที่มีความรู้ความสามารถปาดเปื่อง mm. ก็เพราะว่านี่แน่จิตหรือวิญญาณาขันเนี่ยมันทํางานร่วมกับเจตสิกนั่นเองมันเลยสามารถทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งวิเคราะห์วิจารณวิจัยเลยเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวปาดเปลือกเนื้อตัวเนี้ยยิ่งคนไหนที่มันรู้เห็นแล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกตจดจําเรียนรู้ทําความเข้าใจวิเคราะห์วิจารณวิจัยก็เลยเกิดเป็นคนที่ฉลาดเหนือคน แต่ก็คงปล่อยให้ขันห้าเนี่ยซึ่งเป็นวิญญาณหลักฐานทำงานรวมกว่าเจ็ดสิธิ์เนี่ยมันก็เกิดเกิดดับดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่าที่ไม่ฟุ้งแต่งนะนะแต่มันยิ่งยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งมีเคราะยิ่งวิจารณยิ่งเข้าใจมันยิ่งฉลาดป่าเตลึงแต่มันก็ป่าดเต่ึองอยู่ในใจที่ว่างเปล่าแต่มันฉลาดป่าเื่องในกระดานมันมาช่วยเพียงแต่ทําให้ตัวมันเนี่ยหลุดพ้นไปได้ไม่เป็นหลงติด เอาตัวเราไปเป็นสังขารปรุงแต่งไปเป็นขันห้าหลุดพ้นจากขันห้าไปไปเป็นใจที่วางเปล่าที่ไม่มีผู้ยึดไม่อาจจะยึดอะไรได้เพราะว่าใจมันมันปรุงแต่งไม่ได้มันเลยยึดอะไรไม่ได้ิที่ยึดอะไรได้มันต้องเอาขันห้ามาปรุงแต่งจึงจะยึดอะไรได้พูดใกล้ใกล้ใหม่พูดใกล้ใใหม่ขณะดขณะที่ท่านพูดเนี่ยนะมันมันมีความรู้สึกว่า ที่เราไปคิดว่าเป็นตัวเราเพราะว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยตรงเนี่ยทั้งหมดเป็นตัวเราแต่พอท่านพูดถึงเรื่องว่าจิจจตเจตสิกมันทำงานร่วมกันกับเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วไปเข้าใจที่ว่าตัวเองคิดว่าเป็นตัวเราก็เพราะว่า มันไปเห็นไอ้ตัวรูปเนี่ยแหละทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเราแต่พอแยกออกมาแล้วเนี่ยทั้งจริงแล้วก็เป็นตัวทำงานของขันห้าทั้งหมดถูกต้องแล้วมันเป็นกระบวนการของขันห้าซึ่งธรรมชาติสร้างมาให้ฉลาดป่าเปลืองมากนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ความรู้สึกของตัวเราตัวเราตัวเราที่ไปรู้ไปเห็นของตัวเราวิเคราะห์ตัวเราคิดตัวเราตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้ตื่นตัวเราเป็นผู้ตองตัวเราเป็นผู้เข้าใจล้วนแต่เอาวิญญาณขันเป็นวิญญาณขันทํางานรวมกับเจตสิกทั้งหมดเป็นขันห้าทั้งหมดเมื่อเราเห็นจนถึงที่สุดคือตัวเราเป็นขันห้าเลยตัวเราไปก็เป็นความว่างเปล่า มันก็เปรียบเหมือนอย่างเงี้ยโยมนั่งเยโยมเอาตัวเองนั่งเนีลยนั่งบนอี้เนี่ยแล้วยมดูตัวรอบตัวเองออกไปเลยตัวเองออกไปทุกทิศทุกทางกลายเป็นอะไรเป็นความว่างดังนั้นเลยความรู้สึกเป็นตัวเราออกไปนอกตัวเราคแค่นั้นเนี่เป็นความว่างดังนั้นโยมเข้าใจว่าความรู้สึกที่เป็นตัวเราในใจมันเป็นวิญญาณขันเป็นขันห้าไปแล้วเมื่อเข้าใจจนถึงที่สุดของขันห้าคือถึงวิญญาณขันไปแล้วที่ทำงานโลดเจตสิก หรือจะปรุงเป็นตัวเราได้ต่อให้มันจะปรุงเป็นตัวเราไงก็ตามแต่มันก็เป็นเพียงขันห้าเราเข้าใจเสร็จแล้วว่ามันเป็นขันห้ามันเป็นเพียงแค่ปรุงแต่งเป็นของสมมุติเกิดเกิดดับจับไม่ใช่มีตัวตนจริงจริงจั ง, จงเมื่อเข้าใจจนถึงที่สุดแล้วเลยความรู้สึกว่าเป็นตัวเราออกไปมันก็เลยกลายเป็นความว่างนั่นเองมันจึงพบใจที่เป็นความว่าง เพราะมันสิ้นความยึดถือตัวเราที่ปรุงเป็นตัวเราเพราะมันเห็นว่าสิ่งที่ปรุงเป็นตัวเรามันคือวิญญาณขาคารทํางานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ส่งต่อบริญญาณตัวต่อไปต่อให้มันจะปรุงยังไงก็ตามเป็นตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้เห็นตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้ตึกตึกตอมเป็นตัวเราเป็นผู้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยยังไงก็ตามแต่เราเห็นว่าทุกตัวเราทั้งหมดเป็นวิญญาณขาคารทํางานร่วมกับเจตสิกเป็นขันห้ามันก็หมดความหมายกับใจไป เพราะมันเป็นปุงแต่งทั้งหมดเราไม่ต้องไปคิดฆ่าเขาไปทำลายเขาเขาจะต้องทำของเขาไปอย่างนั้นตลอดถูกต้องเราจงมีสองตัวอยู่กับตัวสมมุติคือตัวที่เราสมมุติว่าเป็นเราไว้เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เข้าใจเราเป็นผู้รู้แจง้งนั่นน่ะเราเห็นว่ามันเป็นตัวสมมติแต่มันช่วยให้เราถึงตัววิมุตติคือ ใจที่สิ้นความปรุงแต่งคือสิ่งที่เลยตัวเราไปเลยใจที่ปรุงแต่เป็นตัวเราก็กลายเป็นความว่างเราจึงไปพบความว่างที่มันเลยความรู้สึกว่าเป็นตัวเราไปนั่นแหละคือใจซึ่งเรียกว่าเป็นวิมุตมันอยู่ในการวิมุตกับสมมติแล้วเราก็เข้าใจแล้วก็เอาตัวสมมติมาใช้งานเพราะตัววิมุตเป็นไปทำงานไม่ได้ เรายังไม่ตายก็ตัวสมมติทํางานไปเต็มกําลังความสามารถเกื้อกูลตนเองให้เข้าใจกิจที่ต้องทําจบแล้วไม่ยึดแล้วไม่มีตัวผู้มายึดเพราะตัวผู้จะยึดได้ก็เป็นวิญญาณขันธ์บวกกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันถึจะปรุงเป็นตัวเรามายึดอะไรได้ด้วเป็นตัวสมมุติเราหลุดพ้นจากตัวสมมติแล้วไปเป็นวิมุติเราก็ต้องกลับมาใช้ตัวสมมติทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกื้อกูลพุทธศาสนาเกื้อกูลโลกเกื้อกูลผู้อื่นในปณิทุก์ ภาระนี้ทางเรียกว่ากิจของตัวเองจบแล้วแต่กิจของผู้อื่นยวต้องทำอยู่จนกว่าจะตายจากโลกนี้ไปไม่ได้ว่าตายจากโลกนี้อย่างเดียวตายจากโลกทั้งสามซึ่งเป็นโลกล้วนแต่เป็นโลกที่ปรุงแต่งโลกนรกก็เป็นโลกปรุงแต่งเพราะปรุงแต่งทำบาป ก, กรรมชั่วจึงไปนรกโลกสวรรค์ปรุงแต่งทำกรรมดีจึงไปสวรรค์และ ตามกรรมดีขึ้นไปอีกก็มาเป็นมนุษย์สลับกันไประหว่างมนุษย์กับสวรรค์ไม่ติดดีไม่ติดชั่วไม่ติดอะไรเลยเป็นใจที่ว่างเปล่าก็ไม่ต้องไปไหนในสามโลกชีวิต ท, ที่เหลือาทาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในถึงซึ่งวีมุตและเอาสมบุติไปทำประโยชน์ ศาสนาพูุทธศาสนาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือเทวเดวอินพรมยมดันาคุตมนันทุกคนทานสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดแผ่มเมตตาให้เขาอธิษฐานให้เขาพ้นทุกข์พ้นทุกข์พ้นทุกข์า ก, กายผู้ใดทุกข์กายอยู่ให้เขาพ้านทุกข์กายเถิดผู้ใดทุกข์ใจให้เขาพ้นจากทุกข์ใจเถิดให้เขาพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้เกื้อกูลโลกทําประโยชน์ท่าน ปะยชตนและปะโยะท่านนี่แน่ขันห้าที่พ่อแม่ให้มานับว่าปเปโสดสูงสุดแล้วที่คุณของบิดาบารดาจึงเทียบเท่าคุณหลนันขันห้านี้เอามาทำให้เกิดสติปัญญาหลุดพ้นจากสมมติเป็นขัตัวขันห้าที่เป็นรู้สึกเป็นตัวเราได้ไปสู่วิมุตติคือใจที่วางเปล่าจากความปรุงแต่ น้อยคนนักที่เกิดมาแล้วจะเข้าใจอย่างนี้เอาขันห้าซึ่งเป็นสังขารมาใช้ประโยชน์พาตนให้รอดพ้นจากสมมติคือตัวขันห้าที่ปรงแต่งมีความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราตัวเราเป็นผู้รู้ตัวเราเป็นผู้คิดตัวเราเป็นผู้เข้าใจตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งตัวเราเป็นผู้วิเคราะห์วิจารวิจัยตัวเราเป็นผู้ตึกตองล้นแต่เห็นว่ามันเป็นขันห้า คือเอาวิญญาณนักขันมารู้แล้วก็ส่งต่อไปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ส่งต่อวิญญาณตัวต่อต่อไปให้มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราตัวเราตัวเราตัวเราแต่ตัวเรานี่แนี่ยเป็นตัวสมมุติเอาตัวขันห้ามาใช้ปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดผู้นึกตึกตึกผู้ตองผู้วิเคราะห์วิจารณวิจัยเพราะตัวสมมุติมันคิดตึกต่อได้วิเคราะห์วิจารณวิจัยได้แต่ตัววิมุติวันคิดตึกต่อไม่ได้ เราจะถึงวิบูทได้เขาต้องอาศัยขันห้านี่เนี่ยําความเข้าใจจนปล่อยวางขันห้าได้หมดเราจึงต้องขอบคุณขันห้าไม่ใช่เราไปทําลายขันห้าภาพที่พ่อกับแม่ให้มานี่เนี่ยต้องขอบคุณเขาไม่ใช่ไปทําลายเขา อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย8ปดสิบแดสิบห้าแล้วอ้อมึงก็ยังพอช่วยเหลือเพื่อกูลโลกได้85ดสิบห้าแล้วทำมาทันเวลาพอดี85ดสิบห้าแล้วมาทันเวลาคงเป็นวาสนาอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้จะกลับแล้ว เอาไหมคนอื่นก็น ม, กมั่งอาวสาธุสาธุสาธุอยากลองก็ลองเถอะมันทุกมาหลายภพหลายชาติเต็มทีแล้ให้มันร้องไห้ภพชาตินี่เป็นภพชาติสุดท้ายอยาจะร้องเท่าไหร่ร้องไปเถอ ขันห้ามันพาเราตกตุงตกตามไปตกนกรกเ็มาหลายภพชาติไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปทำบาปกรรมชั่วเป็นสัตว์เดรัจฉานเสร็จเอาสุรากายหลายภพชาติแต่ที่สุดแล้วเราก็เอาคุณประโยชน์จากขันห้าเนี่ยมาพาเราให้คนทุกข์ได้จะร้องก็ ล, งล้องเยอะไม่อยากทุกข์มากมาหลายชาติแล้วรองจนมันชาติดท้ายไม่ต้องไปร้องอีก